สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหกรคนชอบเล่าวันนี้ขอหยิบยกเรื่องเล่าจากรายการของทีวีช่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเผื่อว่าวันนั้นหลายท่านจะยังไม่เคยได้ดูหรือว่าได้ฟังเรื่องเล่าที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องดี้ลับจากรายการหนึ่งในช่องน้อยสีเป็นประสบการณ์ลี้ลับที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้ไปเจอมาที่ผู่กระดึงโดยนักศึกษากลุ่มนี้ ได้เล่าให้กับรายการนี้ฟังว่าเรื่องเกิดขึ้นจากการที่พวกเขานัดกันไปท่องเที่ยวพักแรมที่ภูกระดึงตอนออกเดินทางไปเที่ยวคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มท่านหนึ่งก็ได้เตือนให้ไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตามภาษาของผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงหลานแต่พอมาถึงตอนเช้าที่ภูกระดึงเขาก็ไม่นิ่นึกถึงคําเตือนเลยพวกเขาไปด้วยกันทั้งหมด10คนและทั้งสิบคนนี้ก็ไม่เคยมีใครได้มาเที่ยวที่ภูกระดึงกันมาก่อนเลย หนึ่งในนั้นชื่อบอยบอยเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเป็นคนผงผางพูดจาไม่ค่อยจะดีตามภาษาวัยรุ่นทำหาทั่วไปหยาบคายบ้างท้าทายบ้างเพื่อนๆห้ามก็เหมือนยิ่งยุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวบนภูกระดึงวันแรกบอยก็พูดจาแบบพนองปากระหว่างที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆและกลุ่มของพวกเขาก็หลงป่าเขาเจอว่าจุดที่หลงเป็นช่วงเที่ยวตรงน้ําตกหาทางออกไม่เจอเป็นเวลานา น, าน พี่ใหญ่ของกลุ่มเริ่มไม่สบายใจพี่ใหญ่คนนี้ก็คือคนเดียวกับที่ยายได้ตักเตือนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ไหา้เจ้าที่เจ้าทางจึงไปยกมือไหว้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นด้วยความเข้าใจเอาเองว่าจะต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหลังจากที่ขอขมาแล้วก็เดินต่ออีกสักพักเขาก็ได้เห็นต้นไม้สีแดงลักษณะปลายไม้เป็นงอหมุนเข้าคล้ายไม้เท้าเขาก็เข้าใจเองอีกว่าปลายไม้เท้าชี้บอกทางออกให้ และจึงตัดสินใจเดินตามทางนั้นโดยเก็บเอาไม้เท้านั้นติดมาด้วยเมื่อพ้นออกมาจากป่าได้แล้วก็เดินเที่ยวกันต่อไปเพื่อไปที่ผาลมศักเมื่อมาถึงผาลมสักยังไม่เย็นมากจึงนั่งนั่งนอน น, อนพักผ่อนรอชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนั้นกลุ่มของพวกเขาไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปไปมีเพียงโทรศัพท์มือถือที่พอจะถ่ายรูปได้บ้างในตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ อ, อีกหลายกลุ่มที่มีจุดประสงค์เดียวกันบ้างก็ถ่ายรูปบ้างบ้างก็พักผ่อน ด้วยความได้เป็นผู้ชายล้วนและด้วยความขึ้นทะนงของบอยเขาได้ตะโกนเสียงดังๆแบบหยาบคายออกไปที่ผาเพื่อฟังเสียงสะท้อนกลับมาในตอนนั้นบอยรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมาที่เขาอย่างคึงเคือ ง, องเขาเข้าใจว่าคงเป็นบรุ่นกลุ่มอื่นบริเวณนั้นเขาจึงถามเพื่อนๆว่ามีกลุ่มไหนมองเข้าไหมเพื่อนๆต่างบอกว่าไม่มีใครมองเมื่อชมพระอาทิตย์ตกแล้วพวกเขาก็ใช้เส้นทางเรียบผากลับที่ทําการ ด้วยเหตุที่พวกเขาไม่มีใครเตรียมไฟฉายไปด้วยและไม่เคยมีใครมาจึงพยายามเดินเป็นกลุ่มตรงกลางเพื่อหวังจะอาศัยแสงไฟและเดินตามกลุ่มเพื่อนๆแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆแสงไฟจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหน้าค่อยๆห่างออกไปทุกทีพวกเขาก็เร่งฝีเท้าตามแต่ตามยังไงก็ไม่ทันปรากฏว่าแสงจากกลุ่มข้างหน้าหายไปแล้วเมื่อหันไปด้านหลังก็มีเห็นกลุ่มอื่นๆที่ตามมาเลยมีเหลือแต่พวกเขาอยู่กลุ่มเดียว จึงรีบเดินให้เร็วขึ้นเดินจนถึงร้านค้าระหว่างทางจึงถามทางกลับและเมื่อซื้อเทียนได้แค่เพียงสองเล่มเพราะที่ร้านเหลือแค่นั้นและที่ร้านก็แนะนำว่าให้เดินไปทางลัดพอะเห็นว่าดึกแล้วเข้าใจว่าเป็นเส้นทางผาน้อยองมพุทธเมตตาพวกเขาจึงเดินกันต่อตอนแรกพวกเขาเดินเรียงหน้ากระดาน4คนพอเดินไปเดินมาทางก็เริ่มแคบลงจนพวกเขาต้องเดินเรียงเดียวโดยให้คนแรกถือเทียนหนึ่งเล่ม และคนสุดท้ายถืออีกหนึ่งเล่มบ่อยเป็นคนที่อยู่รังท้ายสุดตลอดทางพวกเขาจะนับ1นึถึงสิเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะเพราะมืดมากเผื่อใครหายจะได้รู้เส้นทางค่อยๆลาดต่ำลงลาดต่ำลงหญ้าสองข้างทางสูงเกือบจะท่วมหัวหมอกก็ลอยต่ำเรียดกับพื้นมองไปข้างหน้าเห็นเพียงท้องฟ้าที่มืดมิดเมื่อมองต่ำกว่ายอดไม้ก็เห็นได้เพียงสีดำดำสนิทระยะการมองเห็นเป็นเพียงรัศมีแสงเทียนในระหว่างที่เดินอยู่นั้น ทุกคนมีความรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นตลอดบางทีก็รู้สึกเหมือนมีคนบิ่งเอามือระกับต้นยาข้างทางผ่านพวกเขาไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักพอเดินเดินไปเพื่อนที่เดินอยู่หน้าบอยกระซิบไว้เห็นคนบอยก็ตบหัวเพื่อนพร้อมกับบอกว่าคนที่ไหนไม่เห็นมีเลยแต่หลายๆคนเล่า ว, ว่าเห็นเหมือนคนตัวดำตัวใหญ่ๆมากนั่งยองๆกอดเข่ามองพวกเขาอยู่ข้างทางห่างไปไม่ไกลมากระยะเพียงพ้นแสงเทียน ก็จะเห็นจากหางตาเพราะไม่กล้าหันไปมองเดินไปได้สักพักบอยรู้สึกเหมือนมีคนมาหายใจรดต้นคอและรู้สึกแน่นที่หน้าอกมากมากพวกเขาเดินไปถึงทางสามแพ่งปรึกษากันว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีและเริ่มนับเพื่อตรวจสอบเพื่อนว่าครบอยู่หรือเปล่าแต่นับครั้งนี้นับกันถึงได้แค่9้าและก็เงียบไปไม่มีเสียงขานของบอยตอนแรกก็นึกว่าบอยแกล้งแต่พอมองไปหาก็ไม่เจอ พวกเขาส่วนหนึ่งจึงรีบวิ่งย้อนกลับไปทางเส้นทางเดิมแล้วก็ไปพบบอยนอนอยู่ข้างทางโดยท่านอนมีลักษณะตั้งแต่ส่วนของเอลลงไปอยู่ในป่าส่วนท่อนบนอยู่บนทางเดินเหมือนมีคนกำลังลากและดึงขาของบอยเข้าไปในป่าเพื่อนๆช่วยกันดึงไว้และเรียกร้องพวกที่เหลือพวกที่วิ่งตามมาก็เตะรากไม้ได้แผลไปคนหนึ่งตอนนั้นบอยมีอาการชักกระตุกตาเหลือกตัวแข็งพวกเพื่อนๆกต็ตกใจช่วยกันบีบนวดแขนและขา พวกเขารู้สึกว่าตัวของบอยแข็งมากแข็งไปทั้งตัวเลยบีบไม่ลงไม่ยุบเลยพวกเขาจึงพยายามหามบอยโดยคนหนึ่งช้อนใต้แขนทั้งสองและอีกคนหนึ่งยกขาเดินไปตอนแรกยกไม่ขึ้นรู้สึกหนักมากพอยกขึ้นและในระหว่างทางที่เดินคนที่อยู่หน้าสุดก็ร้องไปเห็นงูอยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นเป็นงูเหมือนกันหมดทั้ง9้าคนยกเบนต์บอยที่ไม่รู้สึกตัวแต่หลังจากที่เห็นเป็นงู ต่อมาก็กลับกลายเป็นกิ่งไม้ต่อหน้าพวกเขาเสอยงนันแหละโดยพวกเขายืนยันว่าตอนแรกเป็นงูจริงๆคนที่หามบอยสองคนเริ่มไม่ไหวแล้วทั้งที่บอยตัวนิดเดียวคนหามทั้งสองคนก็ตัวใหญ่กว่าเยอะต้องให้เพื่อนมาช่วยกันหามอีกคนเขาบอกว่าบอยตัวหนักขึ้นมากหามสามคนก็ยังแทบไม่ไหวบอยก็หล่นลงมามีอาการชักอย่างน่ากลัวตาก็เหลือกไปด้วยในขณะนั้นเองเพื่อนอีกคนก็เห็นแสงไฟเคลื่อนเข้ามา และปรากฏว่าเป็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ทั้งทั้งที่ตอนแรกไม่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เลยคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นชายใส่ชุดทหารพรานสวมมุ้งพวกเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บให้ช่วยหน่อยครับคนที่ขับรถมาก็บอกว่าให้เอาคนเจ็บขึ้นรถมาและให้คนขึ้นมาบนรถอีกคนหนึ่งคอยจับคนที่เจ็บไม่ให้ร่วงลงไปรุ่นพี่คนเดิมก็เลยขึ้นไปประคองบอยและได้เอาไม้สีแดงที่เก็บมาด้วยให้รุ่นน้องอีกคนถือไว้ ชายขับรถมอเตอร์ไซค์ได้แนะนําให้พวกที่เหลือเดินเลี้ยวขวาตามทางแยกข้างหน้าเพื่อกลับไปที่ทําการจะถึงเร็วกว่ารุ่นพี่คนที่นั่งซ้อนท้ายรถไปด้วยก็เล่าว่าเมื่อถึงทางแยกรถมอเตอร์ไซค์กลับเลี้ยวซ้ายบอกว่าทางสะดวกกว่าและรุ่นพี่ก็ได้เล่าให้คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ฟังว่ากลุ่มของพวกเขามาเที่ยวกันและเพื่อนก็เป็นอะไรไม่รู้และทันใดนั้นคนที่ขับรถอยู่ก็หัวเราะดังลั่นขึ้นมาโดยมีน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมเสียงใหญ่มากและพูดจัญญานว่า มันไม่เป็นอะไรหรอกตอนนั้นรุ่นพี่คนนั้นกลัวมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจากนั้นรถก็ขับมาส่งจนถึงบริเวณสะพานไม้หลังที่ทําการเจา้าหน้าที่ที่ขับรถก็บอกให้ประคองบอยไปในห้องพยาบาลซึ่งตอนนั้นตัวบอยก็ไม่หนักเหมือนก่อนแล้วถึงห้องพยาบาลเจา้าหน้าที่พยาบาลก็ให้กินยาและนอนพักผ่อนส่วนตัวรุ่นพี่ก็เดินไปซื้ออาหารอุ่นๆที่ร้านค้ามาไว้ให้บอยกินพอกลับมาถึงตัวบอยก็ฟื้นขึ้นแล้ว แต่ก็ยังงงๆอยู่ทีนี้มาพูดถึงเพื่อนอีก8คนที่เดินกลับตอนนั้นเทียนดับไปแล้วพวกเขาก็อาศัยแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่พวกเขาเดินไปเหมือนมีคนเดินตามมาตลอดและเพื่อนคนหนึ่งก็โดนผักตกหลุมถึงสองครั้งสงคราตดวเพื่อนทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครแกล้งและพวกเขาก็เห็นแสงไฟข้างหน้าเป็นแสงไฟตามบ้านประมาณอะไรอย่างนั้นพวกเขาก็รีบเดินแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งไกล และแสงแห่งไฟก็หายไปแต่พวกเขาก็ยังต้องเดินต่อไปแต่ก็มาวลมาเวียนอยู่ที่เดิมทุกคนเริ่มกลัวเริ่มรนลานกันไปหมดแล้วรุ่นน้องคนที่ถือไม้เท้าจากรุ่นพี่ที่ฝากเอาไว้ก็ยกมือที่ฐานกับไม้บนบานกับเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาขอไว้ถึงที่พักสักทีและไม่นานเพื่อนคนหนึ่งก็แวกหญ้าที่สูงทุ่มหัวข้างทางออกมาจึงมาเจอแสงไฟจากที่ทําการทั้งๆที่อยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขาเดินหลงอยู่เป็นเวลานาน พวกเขาพบกับเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดทหารสวมมุ้งสองคนสองไฟมาทางเขาและบอกว่าเจอพวกมันแล้วเจอพวกมันแล้วตอนแรกพวกเขานึกว่าเป็นเพื่อนเขาที่มากับรถบอกให้คนออกมาตามหาพวกเขาแต่ไม่ใช่และทหารสองคนนั้นก็เดินหายไปไหนไม่รู้แล้วพวกเขาก็มาถึงที่ทําการจนได้เขามาถึงที่พักกันแล้วและพวกเขาก็ได้จุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางพอปักทูบเสร็จกําลังจะเดินกลับบอยก็ออกมาพอดีโดยที่ไม่มีอาการใดๆดเลย มาตอนเช้าบอยเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้สติตอนที่ล้มลงนั้นยังรู้สึกตัวเห็นว่ามีคนตัวใหญ่ๆ ห, หน้าตาโกรธมากมาทําให้ล้มและกดหน้าอกเอาไว้ตอนที่เพื่อนๆ พ, พ, พยายามแบกขึ้นมาพวกเขาได้ตามถามหาเจ้าหน้าที่ที่มาส่งบอยเพื่อจะขอบคุณแต่ปรากฏว่าไม่มีและพวกเจ้าหน้าที่ก็บอกด้วยว่าไม่มีใครใส่ชุดเต็มยศขนาดนั้นหรอกส่วนแม่ค้าแถวนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวก็ให้ความเห็นว่า เป็นผู้ช่วยขององค์พุทธเมตตาที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้คนบ่อยเมื่อพวกเขาได้เดินทางกลับไปดูเส้นทางที่เดินมาเมื่อคืนก็พบว่าต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เห็นเมื่อคืนไม่มีเลยมีเพียงหญ้าเตี้ยๆสูงไม่ถึงเขา่ามีหลักฐานว่าเป็นเส้นทางเดิมได้ก็คือร่องรอยของพาสเตอร์ที่เขาใช้กันอยู่หลนข้างทางอยู่และทิศที่รถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งมาก็าไม่มีทางเป็นทุ่งหญ้าและทางสามแยกหรือทางสามแพร่งนั้นก็ใช้ได้แค่เพียงด้านขวา เพราะด้านซ้ายที่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปเมื่อคืนนี้มันเป็นเส้นทางขาดน้ําเสาะทางเป็นน่องลึกใช้ไม่ได้จึงเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์ที่ได้รว ม, มกันอยู่หลายเรื่องก่อนลงจะกภูกระดึงพี่ใหญ่รุ่นพี่รู้สึกขอบคุณไม้เท้าและเอาไปพิงไว้ที่หลังต้นสนใหญ่ที่สุดบริเวณกลางเต็นท์เมื่อพวกเขากลับลงมาถึงตีนภูก็แวะไปไหว้ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อภูกระดึงปรากฏว่าในศาลมีแม้เท้าสีแดงอยู่ ลักษณะของไม้เท้าเหมือนกับไม้ที่พวกเขาได้ใช้เมื่อตอนอยู่บนภูพวกเขาจึงคิดว่าต้องเป็นเจ้าพ่อแน่ๆที่ได้ไปช่วยพวกเขาและเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของบอยออกมาเปิดประตูหน้าบ้านให้และทักว่าเอาใครมาด้วยอยู่หน้าบ้านตัวใหญ่ตาแดงเชียวบอยไม่ได้เล่าเรื่องให้แม่ฟังเพราะกลัวโดนดุแต่ได้เล่าให้พี่สาวฟังและพี่สาวก็เล่าให้แม่ฟังในที่สุดหลังจากได้ยิน แม่เล่าถึงความฝันช่วงที่บอยไปเที่ยวภูกระดึงว่าได้ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านมาเหมือนมือกําลังไล่ต้อนเด็กตัวเล็กๆอยู่ในฝันแม่ก็ได้แต่โกรธออกไปว่าอย่าไปทําเด็กมันเลยสงสารเด็กมันแต่ในฝันนั้นก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นบอยนะเห็นเป็นแต่เด็กตัวเล็กๆ เ, เท่านั้นในขณะที่แม่บอยนั่งคุยอยู่กับพี่สาวอยู่นั้นก็เกิดได้ยินเสียงแววขึ้นมาให้พุกมันไปขอขมากูจึงได้พาบอยไปทําสังฆทานและอาบน้ํามนต เรื่องเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจากข้อมูลที่ผมได้ไปหามาเล่าต่อให้ทุกท่านฟังหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระและความบันเทิงนะครับก็อย่างที่เคยบอกครับทุกที่มีเจ้าของทุกที่มีกฎมีกติกาเมื่อเราไปแปลกที่ไปต่างที่เราก็ควรจะเคารพซึ่งกติกานั้นๆของเจ้าของที่อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับ